ตอนที่121มีปัญหาจริงๆด้วยหลังเลิกเรียนหลีหวานจัดเก็บตำราเรียนเตรียมตัวไปกินมื้อเที่ยงที่โรงอาหารจากนั้นจะกลับไปงีบหลับที่หอพักส่วนตอนบ่ายไม่มีเรียนเธอจึงตั้งใจว่าจะไปครุบอยู่ที่หอสมุดของมหาวิทยาลายัยทว่าพอเดินออกจากห้องเรียนมาได้ไม่ทันไรเสียงของเหวินโม่ก็ดังมาจากทางด้านหลังเธอชะงักเท้าแล้วหันไปมองมีธุระอะไรหรือเปล่าเหวินโม่ปลิกตัวจากกลุ่มเพื่อแล้ววิ่งเยาะเ ย, ยะมาหาหลีหวานผมมีเรื่องอยากจะถามคุณหน่อยไม่ทราบว่าตอนนี้คุณสะดวกไหม หลี่หวันเลิกคิวขึ้นเล็กน้อยการที่เหวนโม่มาหาเธอแบบนี้ส่วนใหญ่หน่าจะเป็นเรื่องในคาบเรียนวันนี้เพราะปะกติในเวลาส่วนตัวพวกเขาก็แทบจะไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลยพูดมาได้เลยหรือจะเดินไปคุยไปดีละ่ะถ้าไปโรงอาหารช้าซี่โครงหมูตุน๋นน้ําแดงของโปรดของเธออาจจะหมดได้คุณรีบมากเลยเหรอเหวนโม่เห็นท่าทางของเธอแล้วก็รู้สึกแปลกใจเท่าที่เขารู้มาตอนบ่ายเธอไม่มีเรียนนี่นานอกจากว่าหลี่หวันจะไปลงทะเบียนเรียนวิชาของคณะอื่นเพิ่มอืม ค่อนข้างรีบเลยหล่ะหลีวันนพยักษหน้าเบาเเหวนโม่กำลังจะบอกว่าถ้ารีบมากไว้คุยกันวันหลังก็ได้แต่แล้วก็ได้ยินเธอพูดต่อว่ารีบไปกินข้าวที่โรงอาหารนะ่ะเหวินโม่ถึงกับอึ้งไปชั่วขณะช่องขายอาหารในโรงอาหารมหาวิทยาลัยเรามีน้อยถ้าประชาของอร่อยอร่อยก็จะถูกคนอื่นกินหมดเหลือแต่ของที่ไม่ค่อยอยากกินนะสิหลีวันพูดพางคำท่าทางรังเกียจเล็กน้อยเดินไปคุยไปเถอะเหวนโม่ เขาหลงนึกว่าอัจฉริยะอย่างเธอไม่ว่าจะกินหรือนอนในหัวคงจะมีแต่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเรียนเสียอีกคิดไม่ถึงเลยว่าจะติดดินขนาดนี้เออเวิร์นโมเห็นเธอเดินนําออกไปไกลแล้วจึงรีบก้าวเท้าตามไปลีวันไปสนิทกับเวิร์นโมตั้งแต่เมื่อไหร่กันเฮ <c oughs> ย์อยาเห็นว่าลีหวันอายุยังน้อยนะจริงๆแล้วเล่เหลี่ยมเยอะจะตายยานานต้องคิดจะใช้แผนดึงดูดความสนใจจากเวิร์นโมแน่ จริงๆหลีหวานก็หน้าตามไม่เลวนะแต่ถ้าเทียบกับอายุพวกเราแล้วเธอยังเด็กกว่าตั้งหลายปีดูแล้วเหมือนเด็กมัธยมต้นเลยเด็กก็คือเด็กคนที่คู่ควรกับเวิร์นโม่ที่สุดก็ต้องเป็นจริงๆของพวกเราอยู่แล้วหยางจิ้งฟังเพื่อนสาวข้างกายวิพากวิจารพรางเชิดคางขึ้นอย่างภาคภูมิใจเห็นด้วยกับสิ่งที่พวกเธอพูดแต่พอเห็นทั้งสองคนเดินไปด้วยกันเธอก็รู้สึกขัดหูขัดตาเป็นพิเศษหลี่หวานทางที่ดีอย่าได้มีความคิดอื่นแอบแฝงเชียวไม่อย่างนั้นล่ะกอเฮย่าหาหวาเธอไม่เกกรงใจ็แล้วกัน จุดประสงค์ของการเรียนแพทย์แผนจีนไม่ได้หมายความว่าเป็นการปฏิเสธความสามารถของแพทย์แผนปัจจุบันตอนนี้อุปกรณ์การแพทย์ของทางแผนปัจจุบันมีความแม่นยำมากส่วนแพทย์แผนจีนก็เป็นเพียงการตัดสินโรคตามหลักการตรวจวินิจฉัยสีประการสังคมกำลังพัฒนาประชาชนกำลังก้าวหน้าถ้าสามารถผสมผสานทั้งแผนจีนและแผนปัจจุบันเข้าด้วยกันได้ฉันคิดว่ามันน่าจะเป็นผลดีต่อคนไข้โดยเฉพาะอาการป่วยอย่างคุณในมุมที่ไม่สะดุดตาแห่งหนึ่งของโรงอาหารหรือหวานพูดไปพลางกินไป คุณเองก็มีพื้นฐานด้านการแพท์ช่วงนี้ร่างกายคุณไม่สบายคุณไม่รู้สึกถึงความผิดปกติบ้างเลยเหรอผมเคยคิดไปทางด้านหัวใจเหมือนกันแต่ก็คิดว่ามันเป็นไปไม่ได้หลายปีมานี้ร่างกายผมไม่เคยมีปัญหาเลยจะมาผิดปกติกระทันหันได้ยังไงเหวนโม่พูดพลางขงมวดคิ้วเรื่องนี้ผมจะยังไม่บอกที่บ้านชั่วคราวตอนบ่ายผมจะไปตรวจที่โรงพยาบาลดูว่าหมอจะว่ายังไงถ้าต้องผ่าตัดจริงๆถึงตอนนั้นค่อยแจ้งที่บ้านก็ได้ ลีวันนพยักหน้าเบาๆการตัดสินใจว่าจะจัดการอย่างไรเป็นเรื่องของเขาเองเธอจะไม่ก้าวไกลาแต่ว่ามหาวิทยาลัยเราน่าจะมีอุปกรณ์ให้ใช้ฟรีไม่จำเป็นต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลหรอกหมอที่ตรวจในโรงพยาบาลอาจจะไม่มีความสามารถเท่าศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยแพทย์ของเราด้วยซ้ำลีหวันพูดต่อที่สำคัญที่สุดคือตรวจได้ดีแถมยังไม่ต้องเสียเงินด้วยเหวนโม่คิดไม่ถึงในจุดนี้จริงๆฉลาดมากเหวนโม่มองหลีวันด้วยสายตาชื่นชม คุณอายุน้อยกว่าผมสี่ปีจริงๆเหรอทำไมผมรู้สึกว่าคุณน่าจะโตกว่าผมละ่ะน้องสาวของเขาอายุพอๆกับหลีหวานแต่ยังเป็นแค่เด็กหญิงตัวน้อยที่วันๆรู้จักแต่เรื่องแต่งตัวสวยงามทว่าเวลาคุยกับหลีหวานเขามักจะเผลอมองข้ามเรื่องอายุของเธอไปโดยไม่รู้ตัวคำพูดของคุณหมายความว่าฉันดูแก่เหรอไม่ไม่ใช่ผมไม่ได้หมายความว่าคุณแก่แน่นอนผมแค่รู้สึกว่าคุณมีความคิดที่ค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่ก็ความหมายเดียวกับแก่นั่นแหละหลีหวานกล่าว เวินโมยิ้มอย่างรากระอักกระอ่วนยังไงผมก็ไม่ได้หมายความแบบนั้นผมแค่รู้สึกว่าถ้าเทียบกับคนรุ่นเดียวกันแล้วคุณดูแตกต่างมากจริงๆไม่ใช่แค่คุณคนเดียวหรอกที่พูดแบบนี้คุณไม่ต้องรู้สึกลำบากใจไปหรอกเวินโม่เห็นเธอทานอาหารด้วยความรวดเร็วแต่ก็ไม่ได้ดูน่าเกลียดคุณกินเสร็จแล้วเหรอกินเร็วเกินไปไม่ดีต่อการย่อยของกระเพาะและลำไส้น้ำทางที่ดีควรจะกินช้าๆเคี้ยวให้ละเอียดจะดีกว่าชินแล้วล่ะ หลีหวานมีนิสัยบางอย่างที่แก้ยากและเธอก็ไม่ได้คิดจะแก้การกินข้าวเร็วทําให้มีเวลาเหลือเฟือไปทําเรื่องอื่นฉันอิ่มแล้วถ้าคุณมีเรื่องอะไรอีกก็บอกฉันได้โดยตรงนะคุณค่อยๆกินไปเถอะพูดจบขณะที่หลีหวานกําลังจะลุกเดินจากไปเธอก็ชะงักเท้าอีกครั้งสายตามองไปที่จานของเขาฉันไม่รู้ว่านิสัยการกินของคุณเป็นยังไงแต่ที่คุณกินอยู่นี่มันดีต่อสุขภาพเกินไปแล้วมองไปทางไหนก็มีแต่ผักสีเขียวขจีไม่เห็นเนื้อหนังมังสาเลยสักนิด ฉันแนะนําว่าคุณควรจะกินเนื้อแพ้ให้มากขึ้นนะมันมีประโยชน์ต่อร่างกายเนื้อแพ้ถือเป็นของบำรุงเหมือนโมมองตามแผ่นหลังของเธอที่เดินจากไปอย่างเมื่อยลอยจนกระทั่งร่างของหลีหวานรับสายตาไปเขาจึงถอนสายตากลับมาจากนั้นก็ถือจานลุกขึ้นไปตักซุปเครื่อนในแกะมาเพิ่มหนึ่งที่ตอนบ่ายหลีหวานนอนจนตื่นเองตามธรรมชาติในหอพักไม่มีใครมารบกวนหลังจากตื่นนอนตามแผนเดิมคือเธอจะไปหอสมุดแต่ระหว่างทางก็ถูกเหวิรนโม่ดักไว้อีกครั้งมีธุระอะไรเหรอ ผมไปตรวจมาแล้วสีหน้าของเหวินโมดูไม่ค่อยดีนะเาขาขมวดคิ้วก่อนจะพูดว่าคุณพูดถูกตอนนี้หัวใจของผมมีปัญหาจริงๆเส้นเลือดอุดตันไปหลายเส้นแล้วศา ส, สตราจารย์แผนกอายุรกรรมโรคหัวใจบอกว่าโชคดีที่ตรวจพบได้ทันถ้าช้ากว่านี้อีกไม่กี่วันอาจจะมีอันตรายจากกล้ามเนื้อหัวใจต า, ตายเฉียบพลันได้ทุกเมื่อยังกรณีของผมตอนนี้ต้องติดต่อที่บ้านเพื่อเข้ารับการผ่าตัดการผ่าตัดทำบายพาดในตอนนี้ถือเป็นเรื่องปกติมากไม่ใช่การผ่าตัดที่ซับซ้อนอะไรนะักยังไงก็ต้องยึดร่างกายเป็นหลัก ในเมื่อหมอพูดแบบนั้นแล้วก็ทําตามที่หมอสั่งเถอะหลหวันนพยักษ์น้าเธอคิดไว้อยู่แล้วว่าจะเป็นแบบนี้ยังไงก็ต้องขอบคุณคุณนะเหวินโม่รู้สึกว่าตรวจพบอาการได้ทันเวลาจริงๆคุณไม่ต้องมาขอบคุณฉันที่นี่หลอกคุณควรจะขอบคุณศาสตราจารย์มากกว่าหลหวันพูดอย่างไม่ใส่ใจถ้าศาสตราจารย์เจียงไม่ให้คุณขึ้นไปบนเวทีก็คงไม่มีทางพบอาการป่วยของคุณหรอกอีกอย่างนี้ก็เป็นพระดวงของคุณเองด้วย ตอนนี้สิ่งที่คุณต้องทำคือทำใจให้สบายผ่าตัดเสร็จก็ไม่เป็นไรแล้วกรณีอย่างผมต้องผ่าตัดอย่างเดียวเลยเหรอครับรักษาแบบประครับประคองไม่ได้แล้วเหรอเส้นเลือดหัวใจของคุณมีปัญหามาแต่กําเนิดเมื่อเทียบกับคนอื่นแล้วคุณมีความเสี่ยงที่จะเกิดการอุดตันได้ง่ายกว่ารอช้าไม่ได้แล้วถ้าคุณเป็นเพราะกลัวการผ่าตัดนั่นก็ช่วยไม่ได้คุณอย่าได้เกรงกลัวการรักษาเลยไม่หรอกครับงั้นฉันก็ขอวอวยพรล่วงหน้าให้การผ่าตัดของคุณผ่านพ้นไปด้วยดีนะสู้